วันนี้ก็ขอย้อนลงต้นเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นตั้งตอนต้นไปจากคอาปลายแต่เรื่องพระท่านรง ค, ความว่าเมื่อคืนนี้ท่านใช้ปัญญาบารมีแต่ความจริงปัญญาบารมีถ้ามีบารามีเดียวพอบารมีอื่นก็ครบทวนนี่ก่อนที่ายายบรรดาญาโยงพระตบิษัทจะภาวนา ตามปกติถ้าที่คุเคยสอนมาแต่โบราณการอาตมาก็ฝึกมาแบบนั้น <c oughs> ก่อนที่จะภาวนาให้แนะนำให้พิจรารณาร่างกายในใจรักษะก่อนใจรักนิยายนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขนาตาสลายตัวถ้าในพิจรารณาแบบนี้ให้เกิดปัญญาตอนนี้ก็สำหรับพวกเราเหล่าพุทธบริษัท ก็คนอยังหันเข้ามาจับปริยศษเลยเพราะว่าไตรลักษณ์นิยานเปรียปรานีปรสนา ย, ยานอย่างอ่อนอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขนาตาสลายตัวเปรียบปรสนายานอ่อนอย่างอ่อนถ้าใช้ปริยสศษก็ถือว่าเป็นเรื่องสนาญานตัวปลายตัวสุดท้ายนะเนี่ยเห็นว่าพระพุทธเจ้าถือว่าปริศษมีความสําคัญมาก เราะว่าการที่พระเจ้าทรงเทศน์วสวดกว็ดีชาดกก็ตดำชาดกก็ประสวดใ น, นแนวเดียวกันเล่าทั้งเรื่องบุคคลเล่าไปใคลนิทานพอจบเรื่องท่านจะสรุปคืออริยสัจสีคือทุกส่งบุตรไทยนิรุตมัสท่านผู้ฟังเข้าสวดก็ดีชาดกก็ดีก็ฟังเพื่อเป็นไปในเรื่องก็เกิดศรัทธา ระทาเกิดขึ้นเวลาพระเจ้าสรุเด้วยอริยสัจส์่พอจบต่างคนต่างอรุมรรคผลไปตามต่างกันส่วนใหญ่ก็มีพระโสดาบันเป็นต้นก็มีบางท่านถึงพระาราหันดางนั้นวิปัสนายายของพวกเราก็อาจจะมาขอใช้อริยสัจก็แต่ว่าเอาไม่ถึงสี่ใช่ไหมอริยสัจเอาแค่หนึ่งคือทุกขสัจ ก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคน่าภาวนาก็ดีแต่การรู้ลมหายใจเขาออกมันใช่ไปได้โคกันไปรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกปล่อยจิตสบายนนการกาหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเพราะว่าต้องปล่อยไปตามกํลาลังร่างกายเนะี่ยถ้าจิตเข้าไปรับทราบพ่อเดียวเดียวมันจะหายเหนื่อย ปก ต, ติคนเรามีการเหนื่อยอยู่เสมอนอนตื่นขึ้นมายังไม่ทํางานอื่นแต่จิตเริ่มคิดจิตก็เริ่มเนหนื่อยนการเหนื่อยนี่ต้องควบคุมด้วยนาฬิกานุสติกรรมฐานอันดับแรกเอาจิตเขารับทราบเวลานี้ให้ใจเข้าหรือใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่ <c oughs> ถ้าลมให้ใจถูกฝืนให้ใจแรงเกินไปถ้าเราบังคับ <c oughs> ก็ปล่อยไปอย่าฝืนก็จะตามสบายจากประเดียวเดียวการเต้นหัวใจที่แรงจะเบาลงจะเข้าสู่สภาพปกติการเหนื่อยของร่างกายเข้าสู่สภาพปกติตอนนี้ขอใใช้ปัญญาก่อนภาวนาตัวปัญญาตัวนี้ก็เห็นทุกเห็นว่าโลกมนุษ เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีส่วนใดของโลกที่มีความสุขจริงคนทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวไปมาต่างๆจะทํางานที่ต้นบ้างทํางานที่มีบ้างประกอบกิจการงานต่างๆบ้างเพื่อได้มาดังทรัพย์สินนั่นเขาทําด้วยกําลังเขาความทุกข์ถ้าไม่ทําทรัพย์สินมันไม่มีจิตใจมันก็เป็นทุกข์ ถ้าทรัพย์สินไม่มีอาหารก็ไม่มียากินก็ทุกข์หนักตอนนี้การทํางานทําการการประกอบกิจการงานต่างๆก็เป็นอาการที่เหน็กเลยความเหนื่อยแป็นากายทุกความทุกข์กลองความมาจะมองเห็นคนทุกคนในโลกและสัตว์ทุกตนในโลกไม่มีคนและสัตว์ตัวไหนที่มีความสุขจริงความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังก็เป็นทุกข์ความป่วยก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความพัฒ้าเจ้ของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์รวมความว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีมุมไหนที่มีความสุขหเห็นตามความยืนยด้วยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกมาจากไหนทุกมาจากร่างกายไน่ใช่วิปัสนายานนะ ใหเ่ว่ากระทำหลักวิชาตัวกันขึ้นตามแนวการปฏิบัติแล้วก็ต้องคิดว่าทุกตัวนี้มันมาจากไหนถ้าพิจารณาไปรจริงๆก็คือว่าทุกตัวนี้มันมาจากร่างกายความหิวเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายร่างกายมันหิวหนาวเกินไปร้อนเกินไปเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความแก่เกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกาย ความป่วยไข้ผิดสบายเกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกายความตัดสนาสมหบังบ้างไม่สมบังบ้างเกิดขึ้นเพราะมันมีร่างกา ย, าา ย, ย, ายการพัดพลาดจะขอรักของชอบใจมีขึ้นเพราะมีร่างกายความตายจาปรากฏก็เพราะมีร่างกายรวงความว่าตัวทุกจริงๆคือร่างกายของเราเองมันเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์ติดกับสักก็ตา วิธีวิิตลายเขานักปฏิบัติก็คิดว่าขึ้นที่ว่ากายเกิดในโลกนี้มาเต็มด้วยความทุกข์เราควรจะมาเกิดอีกไหมช <c oughs> าติใดบ้างที่เราเกิดมันจะมีความสุข <c oughs> ถ้าเราไม่ทราบแล้วก็ถอยหลังไปหาคนที่มีฐานะดีกว่าดีกว่าเราขึ้นไปตามนันดับแล้วฐานะที่ ท, ที่ต่ํากว่าเราลงไปตามนันดับ มองดูที่ว่าคนระดับไหนที่มีความสุขจริงเราจะมองไม่เห็นคนที่มีความสุขเลยดังนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ชาติก็กาตามมันก็จะมีความทุกอย่างนี้เข็นทุกข์ซะก่อนเพราะว่าต่อไปคือสวรรค์กับรมถ้าหากท่านที่มีความว่าใจแล้วก็ไม่ต้องต่อไปก็เป็นลึกถึงเทวดานางฟ้ากับรมที่อยู่บนสวรรค์ สวรรเป็นใดข้ังความสุขสวรรค์นี่สุขจริงๆเขาคำว่าเป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย์บ้านที่อยู่ก็เป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดคำว่าทิพย์ภาษาบาลีท่านแปละว่าเล่นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ดาษนางฟ้าระมเหมือนทำเล่นๆทุกอย่างคิดว่าจะไปไหนพระคิดตั้งใจว่าจะไปมาถึงเลย ต้องการเครื่องแต่งตัวอย่ามี้ผลนึกว่าต้องการอย่างนี้เส้นแต่งกายเขปรากฏไม่ต้องใส่เชื่อนู่นบางจริงโดยความหิวความกระหายเทว ด, ดาและผมก็ไม่มีทางนี้เพราะไรว่าท่านผู้นี้อยู่ในบวามนของบุญดล้วก็ร่างกายก็เทว ด, ดาก็ดีนางฟ้าก็ดีลมก็ดีไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นวันแรกรู้สิร่างกายมีสภาพแบบไหน จะทรงกายแบบนั้นตลอดจนกว่าจะหมดอายุความความเศร้ามองขร่างกายก็ดีความแก่เปลี่ยนแปลงร่างกายก็ดีไม่มีเทวดานางฟ้าทึกต่เรื่องความว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรงก็ดีท่านมีความสุขจริงไม่ต้องประกอบกิจการงานเหมือนเราแต่เพรว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีทรงก็ ด, กดีท่านอยู่ไม่นาน ใ น, นเมื่อบทคุณวัชนาบรารบีก็ต้องจุดธีรงมใหม่อย่างผู้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งที่นี้ทุกคนเพราะกล่าวว่าทุกคนทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดานาวฟ้ามาแล้วเคยเกิดเป็นโสมมาแล้วอาก็จะถามว่าเดาว่ายังไงก็ต้องตอบว่าไม่ใช็นเดาโอเ่ลงไม่เชื่อไปถามเทวดารุ่นเดียวสิคุณจุดธีโอมแล้วจนะถามได้ไหมนะ ยิ่งไม่ใช่ดาวแต่คนที่จะเจริญกรรมฐานอย่าหรือเมื่อคนที่ต้องการเจริญกรรมฐานจริงๆเนี่ยรักกรรมฐานจริงๆต้องมีบารมีอย่างต่ำํำหรือบารมีอย่างกลางนั่นคือป่าบา ร, รมีบารมีต้นเจริญกรรมฐานไม่ได้กําลังใจไม่ถึงแล้วป่าบา ร, รมีที่มีความกำลังใจแทบลม ไม่ก็หมายความว่าฌานโลกีทุกอย่างกล้าทำแต่วิทยาศาสนา์ยานเรื่องปลายไม่กล้าทําจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะไปนิพพานได้ความดีไม่พอก็ยับยั้งอยู่แค่ฌานโลกีถ้าท่านคนใดมีกําลังใจต้องการบนิุพานคนประเภทนั้นเป็นปรมัตถปรมีไอ้คนที่จะมีปรมีกลางก็ดี บารมีปลายก็ดีบารมีปลายคือ ป, ปรมัตตบารมีนะบารมีกลางคู่ปะบารมีท่านประเภทนี้ต้องผ่านความเปเทวดาหรือกมมาแล้วเพื่อแค่บารมีต้นเขาก็าเป็นเทวดาเป็นกมนับเวลาวาระไม่ทนอยู่แล้วการเป็นเทวดาหรือนงางฟ้าความจริงก็ทําบุญไม่หนักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัทานนางสกโสทานนาง รู้่ะเขาแปลว่าอะไรออ อ, อคนนี้เก่งแขนเลกไปออกอ่ะทานนางสุสัสสกโสทานนางทานเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์นั่นหมายความแค่การให้าทานไม่แต่ครั้งเดียวนั่นหมายถึงบรารมีต้นนะบรารมีต้นเนี่ยาเต็มจริงๆเขาเยอะเก่งแค่ทานกับศีลคำวา่าเก่งในหมายความนนการขอใจ การจะเรียนภนาเขาพอใจไม่ไหวกําลังไม่พอที่ท่านจะถามว่าบังเอิญเขาทําบาปมากทําบุญ น, น้อยจะปรนสัยสวรรค์ได้ไหมพอย้อนหน่อยที่กล่าว่อกี้ว่าทานนางสกุลฐานนงางพระพุทธเจ้าบอกว่าทานเป็นปัจจัยเป็นบันไดเกิดบุตสวรรค์การให้ทานไม่แต่ครั้งเดียวเขาก็สามารถจะเกิดวีรเดาที่นาวฟ้าได้ นี่พตัยาถามว่าคนนี้ในเมื่อเขามีบารมีต้นบารมีคือความดีขั้นต้นกำลังบารมีแปล ว, ว่าเต็มคือกำลังใจเต็มขั้นต้นหมายว่าเต็มน้อยกว่ากร้องอยังทำความชั่วมากกว่าความดีไม่จไปสวรรค์ได้ยังไงตอนนี้ก็ต้องหันหาพระพุทธเจ้าท่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าจิตเตยังทีเถทุกติปาริกัรขา คนถ้าก่อนจะตายถ้าจิตใจเหมองมีรมกลุ่มก็ไปสู่ทุกติเกลบายภูมิมิเตปิสุทธเทศุกติปลายเทิงกลาพขาเวลาก่อนจะตายถ้าจิตใจสงสัยนึกถึงบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไปอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ก่อนโรงวความว่าคนที่มีบา ร, รมีต้นถ้าก่อนจะตายเราเกิดนึกถึงความดีของเขาอย่างใดอย่างหนึง่ง เคยให้ทานกับสัตว์รือเคยให้ทานกับคนคือจะไหวทานกับพระเพื่อเคยรักษาศีลมาบ้างนึกถึงศีลนี่ตัวรักษาเรนึกถึงพระพุทธรู ป, ปำำ น, นึกถึงพระธรรมคำสอนแล้วนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเขาตามถ้านึกขึ้นมาก่อนระยะตายถ้าไปตายในช่วงจิตยังคิดอยู่ตามนั้น <c oughs> คนนั้นจะลงอาบายภูไม่ได้อย่างเลวที่สุดก็ไปสวรรค์ก่อน มีโดนความว่าแม้แต่เรามีต้นเข้าไปสวรรค์ได้คนเราเกิดมาทุกคนไม่เคยให้ทานแ้ะไม่มีทุกคนต้องเคยให้ทานจะรงจำได้ไม่ให้ทานอีกครั้งยัาไม่ได้เนี่ยมื่อก็อย่างเขาเลี้ยงสุนัขที่ทบ้าน เ, เลี้ยงแมวที่บ้านมันเป็นทานไนหะแต่การเลี้ยงต้องดูก่อนนะถ้าเราเลี้ยงคิดว่าเจ้าสุนัขที่ังคุ้มกันขโมยได้ แก่แมวต้องไรไล่หนูให้ได้อย่างนี้ให้ไม่เป็นฐานถือเป็นค่าจ้างไปแต่เรคิดว่าเลี้ยงด้วยเมตตามันจะไล่คุ้มได้จะไม่ได้ก็ตามใจเถอะมาเหาเ่าไปก็ใช้ได้อาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแมวจะไล่หนูได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เปไรเราให้ด้วยความเมตตาจิตคิดว่ามันไปสัตก็รรมีความผิวเราต้อสานมันอย่างนี้ทุกครั้งในการให้เป็นฐาน เพียงแค่ให้ที่เจ้านี้ถ้าเวลาจะตายเขาไม่กูแมวลูกสุกนัขขึ้นมาเขาไม่เคยเกิดจะทอหมานะนึกถึงทานดีให้นะไปสวรรค์ทันทีถ้าไปสนชัยดมหมาดมแมวเป็นลูกหมา ล, มลูกแมวแง่า ง, <c oughs> ง่ยังยังโกตุขริกาใช่ไหมนึกถึงหมาเข้าเลยข้าทอหมาไปเลยแต่ก็อย่างดีเอาจะาทอหมามาแล้วเป็นหมาเกีย่ยวกระเจ้าพระเจ้าตายเจ้หมาไปเทวดาเป็นโคศกที่ประมุขใช่ไหม ไม่นติดก้อยอยาม า, า, าเป็นสะานกับเขได้กความว่าวทุกคนต้องผ่านที่มานั่งที่นี่ต้องผ่านกลาเป็นนางฟ้ามาบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเดี๋ยทั้งมีความเข้มข้นในการ ป, รปรารมบุญศนการบารมีศน์ธรรมดาแต่พระธรรมชติบัญญัติถือมีความเข้มข้นมากที่ถืออย่างนี้ก็ไม่ใช่จะมามาปล อ, อกใจกันแต่พูนเอาใจ แล้วก็ดูก็แล้วกันการทําบุญใช่ไหมไม่ต้องกะไม่ต้องเกงกันต่างคนต่างทําหรือว่าไม่ต้องดึงแนแขนดึงขามาทําบุญกันใช่ไหมมีจะแย่งเข้ามาทําบุญเขาปฏเสธเขาเจ้าหาที่ก็แย่งไล่ออกไปก็ยังทำเงินนะห ร, รือว่าเขาไม่ให้ที่ไปออกกันที่ก็เหยียบคนตายนี่กาลังทําบุญขนาดนี้ถ้าบารมีไม่เข้มข้นจริงทําไม่ได้ ท็นข้อเปรียบเทียบมันก็แสดงว่าทุกคนเคยเกยิดเป็นเทวดามาแล้วเป็นพุทธมาแล้วเป็นนางฟ้ามาแล้วเมื่อ เ, เป็นเช่นนี้เราเป็นแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องลงมาใหม่เมื่อบรรลุนิสนามบารมีเอาไข้คนต่อไปว่าถ้าเราจเกิดเป็นเทวดาพระพุจะดีไหมถ้ากําลังใจสูงก็คิดว่าไม่ดีมันต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าตั้งใจจียงเพื่อ น, นิพพาน คนนี้ตั้งใจพธิพันพแล้วาทำยังไงก็ทำอย่างพวกเรานี่แหละอย้อนต้นในการเริ่มต้นขบรดาจะพุทธิบริษัทพุธิพันอ์อันดับแรกมีทางการให้เรื่องทานจำเป็นต้องมีเพราะทานเป็นปัจจัยเป็นเหตุตัโดโลภะความโลภาะกิเลสที่สำคัญมีสามตัวที่ว่ารากดาของกิเล ถ้าทำลายรากเงาบทที่เล่ก็ทรงตัวไม่ได้ตัวแรกคือโลภะความโลภโลภะกับราคะนันเป็นตัวเดียวกันราคะความรักโลภะความโลภเมื่อเกิดความรักขึ้นมาจิตใจก็อยากได้ตัวอยากได้เป็นโลกโลภะความโลภตัวนี้เราจะตัดได้โดยการให้ฐานและจาครคลานุสิกกรรมฐาน ทำว่าจาการนึกปฏิกรรมทานคือจิตคิดจะให้ทานตั้งใจที่ว่าถ้าคนก็ดีใจคนดีที่เขามีความทุกข์เขาบกพรองเนืออะไรถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะคืนช่วยได้เราจะช่วยนี <c oughs> ่จิตคิดนะคิดากช่วยอารมจิตที่คิดจะช่ว ย, ดดยได้รัดสมัยเขาพวกคนอื่นมาเป็นคนตนโดยไม่ชอบทำอันนี้ไม่มี อยาจะแย่งเขาจะรักจะขมโมยเขาอันนี้ไม่มีนีารมณ์จิตคิดเพียงเดียวว่าเราจะสง่งเขาเขาให้มีความสุขถ้ารม์จิตคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าท่านมีฌ า, า, านในฌานธรรมชาติฌานฌานธรรมชาตในตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาคืออารมณ์ทรงตัวคือคิดจะให้ถ้าเวลาใดถ้ามีโอกาสถ้าได้ให้เวลานั้นตัดโลภความโลภ ให้ครั้งหนึ่งโลคพระความโลค ก, ก็ขาดไปจุดเลยค่อยๆขาดไปก็จะมีกําลังเบาขึ้นตอนนี้กิเลสห น, น้าก้ากิเลสตัวที่สองคือโทสะโทสะมีการจเจรินกรรมาฐานต้องมีศีลเพราะอะไรก็คือตัวตัโทสะความโกรธเพราะว่าโท้เพราะว่าศีลเนี่ยถ้าจะมีได้เพราะอาศัยบนความดีสมเปรกกายคือหนึ่งไม่ตายความรักสงบนา่าความสสาร ถ้าความรักมีความโสงสารมีจิตความโหด ร, รา้ายขอจิตที่จะทำลายชิ้นห้าข้อมันก็ไม่มีเพราะความรักความโสงสารมันเข้าไปบังคับห้ามทำร้ายเขาห้ามรักขโมยของเขาห้ามแย่งของรักของเขาห้ามบุกรุกมันจห้ามจนโบราณไม่ไรทำสมรรถการณนี้ห้ามเองเป็นอัตโนมัติไม่กล้าทำความชัว่ว ถ้าเมตตาความรักมีขึ้นคุณนายความรู้สานี้ขึ้นโพสต์ร้ายก็ค่อยๆทำลายตัวเองแจะค่อยๆเสื่อมกำลังลงนิจจำนิการจเจริญกรรมฐานจำเป็นต้องมีสีนินการที่เราจะคิดจาคาทุกิ่งคิดตั้งใจจะให้ทานก็ดีจะทรงสีในบริสุทธิ์ก็ดีก็ต้องมีจิตทรงตที่เรียกว่ า, มาสมาธิสมาที่คือการตั้งใจ การตั้งใจตัวนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกนิวรณ์จะลากใจไปสู่อารมณ์อื่นถ้าทั้งๆที่ฝึกมันก็ลากถ้ามันลากเรามั่งเราลากมันม า, า ก, <c oughs> าากมตส่กันลากไปบางครั้งกําลังใจสติเราอ่อนนิวรณ์เขลากไปตามอารมณ์ลากไปหาราคะความรักโทสะความโกรธนี่เป็นต้นแต่บางโอกาสกาลังใจเราชุ่มแข็งขึ้นมาแล้วก็ลากมันตกนิวรณ์ให้สงบไป อีวอนหยุดไม่กวนใจจิตก็มีความกอดตัวตัวสมาธินี่เป็นตัวระงับอีวอนขันตนวคาว่าสมาธินี่รับน่รับีวอนนะเรื่อนาใจที่รู้ลมหายใจเท่าัานใจออกเรือนาใจที่รู้คำภาวนาเรื่องนาใจจิตคิดทุ้โทษของกิเลสความดีของมญรุผลเวลานั้นอีวอนระงับอีวอนไม่กวนใจ ถ้าวีหวนกวนใจเรารู้ลมหายใจเขาออกก็รู้ไม่ได้ภาวนาก็ภาวนาไม่ได้คิดถึงกาลังเขาบุญกุศลก็คิดไม่ได้นีนาา่ว่ามีหวนมีกวนกำลังเราตกขณะใดเพื่อทราบว่าขณะใดจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออ ก, ออกได้เวลานั้นจิตเป็นสมาธิมีหวนสงบขณะใดารู้คำภาวนาดได้เดวลานั้นจิตเป็นสมาธิพรมีหวนสงบ ขณะได จ, จิตคิดคุ้นคิดถึงธรรมะที่พระเจ้าทรงสอน <c oughs> อย่างเห็นแน่ยี่ใส่ข้อส่วนร่ากายเกิดเป็นทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงจิตยังน้อมอยูนอนอย่เรอ่องนี้ก็ถือว่าเวลานั้นจิตมีสมาธิต่อไปเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดรานนี้พิจารณาเรืองปัญญาตัวปัญญานี่บางคนบอกว่ามีหลายคนที่เคยถามมา ว่าจะเรียนกรรมฐานิี่จิตสงบบางครั้งไม่ปรากฏลมให้ใจเท่าออกและปัญญาไม่เกิดเลยชักสงสัยความจริงคําว่าปัญญาเกิดบาทีญาติโยมพุทธบริษัทจะเคยอ่านหนังสือไม่กระสือว่าต้องคิดตามหนังสือถูกต้องตามนั้นปัญญาจะเกิดใช่ความจริงนี้ไม่ใช่การปฏิบัติจริงๆถ้าปัญญาจะเกิดจะเกิดในคิดอย่างนี้ เมื่อจิตสงบถึงขนาดนั้นจิตเป็นฌานเมื่อจิตลดลงจากฌานกระทู้ปัจารสมาธิก็มีความเอิบออินอยู่ <c oughs> จิตจะมีความชุ่มชื่นแต่ว่าจิตไม่ถึงชฌานรู้รับอา ร, รมณ์ต่างๆได้ทั้งหมดจิตไปทุ่งคิดถึงความจริงของชาวโลกว่าชาวโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เพราเราเองที่มีความทุกข์เาไข ใครทำให้เราทุกข์เราก็อย่ า, าทราบจริงที่ทําให้เราทุกข์คือกายร่างกายที่เรามีอยู่มันทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไปไหนก็ไอเขาใช่ไหมถไม้ไม่ไอไม่ไอก็ต้องแก้ผ้าเดินแค่เธอตังนี่ปิดติดตถ้าหากว่าเราไม่มีอาหารบริโภคเราก็มีทุกข์เพราะใครเพราะร่างกาย นาวเกินไปก็มีทุกข์เพราะร่างกายร้อยเกินไปก็มีทุกข์เพราะร่างกายกลัวความว่าสิ่งที่เราทุกข์ไม่ใช่ใครเกิร่างกายเปสังบูปสมุตโ ข, ขที่พระองค์ฟังเก่าวาจาปัสกุลมานบอกว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุขเราจะหมดทุกข์ได้จริงเพราะไม่มีร่างกายนี้คําว่าไม่มีร่างกายไม่ใช่ไปฆ่าร่างกายเนะ่ เพื่อจิตใจยอมรับรเขาถือต่างความเป็นจริงว่าร่างกายที่เร็วมันเร็วอย่างนี้เป็นปกติเป็นสภาพของมันเราก็ขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสัวท้ายที่มีร่างกายเพื่อตายชาติต่อไปในการที่เกิดเพื่อตายไม่มีสระราวเร า, เร า, เราต้องการอีกผานหลังจากนั้นก็ตั้งใจทรงถิ่นให้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามพิจารณาหาความจริงด้ว ย, ยปัญญาปัญยายใช้เล็กน้อยไม่ต้องมาก เาใจว่าเกิดเป็นเรื่องโรคเป็นทุกข์ตัวดาแระพรมเป็นสุขเกิดสุขไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการผ่านนี่ว่ากับเนื้อดูนะแั้วย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเริ่มต้นปฏิบัติปัี้ทรามยังไงพอสมาทานเสร็จก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนตั้งใจไข่คนตามความเป็จริงที่เห็นได้คือตัวทุก <c oughs> ข์ใกล้คนสักนิดหน่อยเพื่อจิตสบาย ตอนนี้ก็ขอาอนุาจนไหลายกำหนดรู้หลวงพ่ใจเขาออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกแล้วก็ภาวนาตามคำภาวนาและยาตโยงพทะตุภีร์เซนไหลายคลื่องบทไหนให้ว่าบทนั้นอย่าเปลี่ยนแะติยโยมต่งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้ธรรมนาว่าพุทโธเพราะสั้นแต่ว่ามีอนุภาพมาก หายใจเข้านึกว่าพุทงใจออกสวัสดิ์โถแล้วจงทราบว่าถ้ายังมีสมาธิไหมก็ดูกําลังใจเขาตนเองว่าขณะนใจที่เรารู้ลมหายใจเข้าใจออกได้เพราะว่าจิตจะแปรเปลี่ยนบ้างก็เป็นของธรรมดาให้ถือว่าเวลานั้นจิตมีสมาธิหรือถ้าเราภาวนาควบคู่กันไปถ้าเวลาไหนรู้คำภาวนาเวลานั้นให้ทราบว่าจิตท่านมีสมาธิ เอิญมีสมาธิว่าเดียวเดียวจิตเคลื่อนไปอย่างนี้เขาเรียกคณิกะสมาธิเอมีในสูงมากเรียนค่าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยทรงกัวได้ไม่นาน <c oughs> อย่างนี้องค์เขเด็ดว่าจิตไม่แต่ว่าบคุคคลใดสามารถทําจิตที่เป็นสมาธิได้วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งด้วเวลานั้นจิตไม่คล่องอารมณ์ที่เป็นบาต ก็ได้หมายควาว่าขนาดใดที่รู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกก็ดีรู้คําภาวนาก็ดีเวลานั้นจิตเป็นมหาภูสุบาตไม่เข้ามาคนเขาบอกว่าแต่บุคคลใดทำจิตบ้านจจกิเลสวันหนึ่งชุกขณะดจิตหนึ่งเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตในบ้างจากฌานนี้ขอบรุญาตท่านพุทธบริษัทหลายพระทราบว่าความดีของท่านดีตั้งแตวันนี้ที่ที่แล้วมา เป็นความดีสูงสุดที่นำท่านไปสู่นิพพานได้โดย ง, ง่ายขออย่างเดียวที่นั้ว่าให้เข้าใจเรื่องร่างกายตัวเดียวอย่างที่ดันเนธท่านเพิภายะว่าพายะท่จึงอยากสนใจในรูปเพื่อมีความเข้าใจในรูปร่างกายของเราโดยเฉพาะว่ามันทุกร่างกายอย่างนี้ต่อไปชาตินี้ถ้ามันตายแล้วต่อไปร่างกายนี้ไม่มี ส, สำหรับเราอีกเราต้องการจบหยู่นิพพานที่เท่านี้ที่ญาตจนั ง, ง, นไจนงไล ตอนนี้ไปเวลาก็ได้มีกรอนที่ไปของบาเจ้าพุทธประจักรทุกคนตั้งใจสมาทานจีิสมาทานจป็กนกรรมฐาน